สบายนี่เหละมีอะไรไหม αι? ไม่มีตอนนี้คนไข้ยเยอะไหม αι? นกตานี่คนไข้ส่วนใหญ่เป็นโรคอะไรกันนะต้อกระจกะอายุเท่าไหร่มากกว่าห้าสิบแล้วเดีย๋ยวนี้ใช้เลเซอร์ปะ่ะเวลาพา อ้ยด้าสาวแบบที่ว่าไม่ต้องไม่ต้องปิดไดนะ้ไมอ๋อแผแลเล็กอ๋อทาเสร็จก็ก็ยังไม่ต้องปิดตาแล้วปิดอยู่ปิดไว้ถึ ง, งยครับเมื่อก่อนใช่แบบไหนใช่มีดนะแผใหญ่แผใหญ่แทแผใหญ่มากกว่าแล้วก็ช้สาครับ มีคนมาทำเยอะไม่วันๆเลยคนยาเยอะห้าสิบขึ้นไปนะนี่เราจะเจ็ดสิบแล้วยังยังยั ง, ยงดูยัง ด, ดูดีอยู่ไม่มีปัญหาเลยอาการมันจะเป็นยังไงคนที่เป็นต้อกระจกเนียตาตาตาโมลูกตาโมเหมือนแว่นมัวอย่างี้แหะ ไม่ไหมถึงเหมือนกับเวลาเราใส่แว่นมัวใช่ไหม ม, มันไม่ใสฮะเมันมีฝ้าบางครับอ่มันมีฝ้าบาง อ, อ่างนนี้รู้สึกว่าถ้าดูไกลๆบางทีมันเห็นหน้าตาคนไม่ค่อยชัดเลยแล้วมีแล้ว ม, ม, ม, มีอายุเกินขนาดไหนที่ไม่ควรทำนั้นก็ไม่มีมทำได้ทุกอายุนะ สังขารร่างกายก็อันนี้จังเสื่อมอันนี้จังก็คือว่ามันไม่เหมือนเดิมมันมีเจริญแล้วก็มีเสื่อมมีการเปลี่ยนแปลนส่วนใหญ่เสื่อมแล้วไม่ค่อยจะเจริญเสื่อมแล้วก็มีแต่จะดับแต่จเจริญก็ต้องไปมีร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ ไปเกิดใหม่ก็ก็มาเสื่อมอีกหรืไม่ค้นความเสื่อมของทุกอย่างมันธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นมันต้องเสื่อมเพราะมันเป็นของที่ประกอบกันขึ้นมามันไม่ได้เป็นของอันเดียวถ้าอันเดียวนี่มันไม่เสื่อมอย่างน้ำเนี่ยมันไม่เสื่อมน้ำมันก็เป็นน้ำมันไป ดินก็เป็นดินนมก็เป็นนมไฟก็เป็นไฟถ้ามันเป็นของมันอยู่ตามลําพังไม่เป็นมันไม่เสื่อมแต่ถ้ามารวมกันเนี่เดี๋ยวมันจะเสือ่อมเนี่ยร่างกายเรามันก็เป็นการรวมตัวของดินน้ำํำลมไฟพอมารวมตัวมันก็เป็นอาการ32ขึ้นมา ผมเนี่ยเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นตาของอะไรที่มันมารวม ก, กันแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแยกกันเวลาแยกกันมันก็เรียกว่าเสื่องต่อไปหูก็เส่องตาก็เสืองร่างกายก็เส่อง ล้าเสื่อมากๆ ม, ม, มันก็มันก็หยุดทำงานมันเป็นเพียงดินน้าลมไฟร่างกายของเราเราไม่ได้อยู่ในร่างกายเราไม่ได้เป็นร่างกายแต่เราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายเราไปคิดว่าเราอยู่ในร่างกายเราเป็นเหมือน คนที่ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยร่างกายนี้เป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือมีกล้องมีตานีมีลําโพงมีปากนีก่คือลําโพงมีที่รับเสียงก็ไมโครโฟนก็หูหูเราเนี่เป็นเหมือนไมโครโฟนตาเรานี่เป็นเหมือนกล้อง ปากเรานี่เป็นเหมือนลำโพงอ้าปากขึ้นมาเสียงก็ออกมาร้องเพลงก็ได้ตะโกนก็ได้เนี่ยร่างกายเราเป็นเหมือนมือถือส่วนคนที่ใช้มือถือก็คือเราเนี่ยเราใช้ร่างกายเหมือนกับเราใช้มือถือเนี่ย เวลาเราอยากจะดูอะไรเราก็หันตาไปหันตาไปดูเวลาอยากจะฟังอะไรเราก็เอาหูไปฟังก็เหมือนกับเวลาเราอยากจะถ่ายรูปเราก็หันกล้องไปที่ภาพที่เราต้องการจะถ่ายถ่ายเสร็จมันก็เก็บภาพนั้นไว้ นี่คือสิ่งที่เราต้องมาศึกษาพระพุทธเจ้าสอนว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นของดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟเขาสร้างขึ้นมาให้กับเราโดยอาศัยดินน้ำลมไฟของพ่อแม่เป็นจุดเริ่มต้นต้องมีดินน้ำลมไฟของพ่อกับดินน้ำลมไฟของแม่มาผสมกัน อย่นี้เขาผสมเทียมได้ไหมเขาเอาดินน้ำนมฝอยจากร่างกายพ่อมาแล้วก็เอาดินน้ำนมฝอยจากแม่มาแล้วก็มาผสมกันในหลอดเก็เลียกว่าผสมเทียมแล้วพอมันเริ่มเกาะเป็นตัวขึ้นมาเขาก็เอาไปฝังไว้ในท้องใหม่ เน่ยร่างกายมันเป็นดินน้าำลมไฟเรามาครอบครองตอนที่มันเริ่มเป็นตัวขึ้นมาเริ่มเมือม่อเมื่อดินน้าำลมไฟของพ่อของแม่มารวมกันพอเกาะกันติดเป็นตัวขึ้นมาอเราคือดวงวิญญาณก็มาม า, ม า, ม, ามาครอบครอง แต่ว่าเข้าไปอยู่ในร่างกายมันก็ไม่มันก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในร่างกายมันเพียงแต่ไปไปเกาะเองมันส่งกระแสจิตมาเกาะที่ร่างกายเกาะตามส่วนต่างๆเกาะที่ตาเกาะที่หูเกาะที่ลิ้นเกาะที่จมูกเกาะที่ร่างกายนี่ก็วิญญาณห้า วิญญาณในขันห้าโสตะวิ ญ, ญญาณจักขุวิญญาณอันนี้จิตไม่มีร่างกายจิตเลยต้องมาอาศัยร่างกายที่พ่อแม่สร้างขึ้นมาแล้วพอเตอิบโตขึ้นมาออกจากท้องแม่มาก็หัดขับร่างกายนี้ หัดยืนหัดเดินหัดนั่งหัดนอนหัดแต่งเนื้อแต่งตัวหัดอาบน้ำหัดรับประทานอาหารเหมือนกับหัดขับรถถ้าไม่หัดก็เป็นเหมือนคนพิการหัดไม่ได้คนพิการทางสมองนี่ไม่สามารถ สั่งให้ร่างกายทำอะไรได้อย่างเหมือนคนที่ไม่พิการนะทำได้ก็ไม่คล่องแคล่วเหมือนกันนะอันนี้ก็อยู่ที่จิตหรืออยู่ที่ความพิการของทางร่างกายก็ได้มันเป็นได้ทั้งสองอย่างแล้วเราก็พอโตขึ้นมาเราก็คิดว่าร่างกายเป็นตัวเราเราก็เลย มีความรักผูกพันกับร่างกายเราก <ck> ็ไม่อยากให้ร่างกายเป็นอะไรไปไม่อยากให้ร่างกายแก่ ع, ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไม่อยากให้ร่างกายตายพอเกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาก็เกิดความไม่สบายใจอันนี้เราเรียกว่าทุกข์ความไม่สบายความไม่สบายใจแบบนี้เราเรียกว่าทุกข์ทุกข์ทุกข์ที่เกิดจากความอยาก อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเราพุทธเจ้าทรงคนพบว่าเราสามารถไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้ถ้าเราหยุดความอยากไม่แก่ได้หยุดความอยากไม่เจ็บได้หยุดความอยากไม่ตายได้แต่ ใ, ใจของเรามันไม่รู้จักวิธีหยุด พอเจอความเจ็บก็ทุกขขึ้นมาทันทีพอพอคิดถึงความตายก็ทุกขขึ้นมาแต่พระพุทธเจ้าทรงคนพบวิธีที่จะหยุดความอยากได้พระพุทเจ้าได้ทดลองใช้แล้วสามารถหยุดความอยากไม่แก่ได้อยากไม่เจ็บได้อยากไม่ตายได้ พอหยุดได้ก็ไม่มีความทุกกับความแก่ความเจ็บความตายวิธีที่จะหยุดก็ต้องหยุดความคิดให้ได้ทําใจให้สงบทําใจให้นิ่งเฉยถ้าทําใจให้นิ่งเฉยได้ก็จะหยุดความอยากได้จะหยุดความอยากได้ก็ต้องรู้ว่าทําไมต้องหยุดความอยากก็รู้ว่า ความอยากเป็นตัวทำให้เราทุกข์แล้วก็สิ่งที่เราทุกข์ด้วยมันก็ไม่ใช่เป็นตัวเราของเราทำยังไงมันก็ต้องแก่เจ็บตายไปทำยังไงมันก็ต้องจากเราไปถ้ามันไม่ได้ทุกข์ไปเปล่าๆทุกข์ไปก็แก่ทุกข์ไปก็เจ็บทุกข์ไปก็ตายเหมือนกัน คือเราต้องรู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ต้องไปยึดไปติดมันไม่ต้องไปทุกข์กับมันและมันก็ไม่ใช่เป็นของเราไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องจากออกไปอันนี้เราต้องรู้เรียกว่าปัญญารู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรารู้ว่ามันไม่เที่ยงมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องปล่อยมันปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บยอมให้มันแก่ยอมให้มันเจ็บยอมให้มันตายอย่าไปย้อมผมอย่าไปทำสัญญกรรมนี้แสดงว่ายังไม่ย้อมยังไม่ยอมทุกข์ไปเปล่าๆทำไปเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็มันก็แก่ลงไปเรื่อยๆดีๆ คนบางคนทำให้จนหน้าตากลายเป็นผีไปเลยนะให้หมอฉีดยาอะไรต่างๆทำหมอทำไม่ถูกเข้ามันบวงขึ้นมาการที่จะแก่แบบมีศักดิ์ศรีมีราศีกับการแก่แบบปเป็นผีเดินได้หลวงพ่ไม่ยอมไม่ยอมรับความแก่ไม่ยอมแก่ เวลาเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปอย่าไปอยากให้มันหายอย่าอย่าวิ่งหนีมันหนี้มันไม่พ้นบางทีก็หนีได้ความเจ็บบางอย่างก็พอจะทําให้มันหยุดได้แต่ถ้าไปเจอความเจ็บที่มันหยุดไม่ได้นี่เราก็ต้องทําใจเฉยๆดีกว่าวิธีทําใจเฉยๆก็อย่าไปคิดถึงความเจ็บ พุโทโธพุโทพโธทไปถ้าไม่คิดถึงความเจ็บแล้วความอยากให้มันหาเจ็บมันก็จะไม่เกิดมันก็จะเจ็บเฉยๆเจ็บแบบไม่วุ่นวายเจ็บแบบไม่ทรมานเจ็บแบบนิ่งๆเจ็บแบบสงบแล้วถ้าใช้ปัญญา พิจารณาให้เห็นว่าความเจ็บนี่มันเป็นเหมือนธรรมชาติเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันเราไม่ทุกข์หรอกที่เราทุกข์เราเราไปยุ่งกับมันเองไปอยากให้มันหายอย่างฝนฟ้าอากาศนี่เราไม่ค่อยทุกข์กับมันนะเพราะเรารู้ว่าเราไปทำอะไรมันไม่ได้น้าจะท่วมไฟจะไหม้อะไรเรามีแต่ทำใจอย่างเดียว ยอมรับสภาพของธรรมชาติความเจ็บก็เป็นเหมือนธรรมชาติอย่างถ้าเรายอมรับมันได้เหมือนกับเรายอมรับฝนฟ้าอากาศได้เราก็จะไม่ทุกกับมันเหมือนกับฝนตกนี่เราก็ไม่ทุกกับฝนอากาศหนาวอากาศร้อนเราก็ไม่ทุกกับมันเราก็อยู่กับมันไป ทำใจเฉยๆอย่าไปต่อต้านอย่าไปอยากให้มันหายอย่าไอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ใจเรามันไม่มีตัวควบคุมมันชอบทำตามใจอยากพอร้อนก็อยากจะให้มันเย็นพอหนาวก็อยากจะให้มันอุ่น พอเจ็บก็อยากใช้ให้มันหายบางทีมันไม่หายทำาังไงก็ไม่หายเป็นโรคบางอย่างมันไม่หายพอไม่หายก็ทรมานใจทุกทรมานใจแต่ถ้ายอมรับมันว่ามันไม่หายก็ไม่หายก็อยู่กับมันไปเราก็จะไม่ทุกข์กับมัน นี่คือเรื่องของใจที่มาเกี่ยวข้องกับร่างกายและของต่างๆที่ร่างกายหาไม่ได้ทุกอย่างเป็นอนิจจงมเป็นไม่เที่ยงหมดเป็นอนัตตาหมดร่างกายก็ไม่เที่ยงคนที่เราได้มาเป็นแฟนเป็นลูกเป็นสามีเป็นภรรยาก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆที่ได้มาก็ไม่เที่ยงเหมือนกันลาบยศจันทรเสรินความสุขที่ได้ทางตาหูจมูกงิ้งกายก็ไม่เที่ยงเหมือนกันได้แล้วก็หมดไปไปเที่ยวมากลับมาบ้านความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หมดไปไปกินไปดื่มอะไรมาพอกินเสร็จดื่มเสร็จ ความสุขที่ได้จากการกินการดื่มก็หมดไปแต่ถ้าเรายังมีความอยากเราก็ต้องกินต้องดื่มไปได้เรื่อยแล้วเวลาไม่ไม่ได้กินไม่ได้ดืม่มก็จะทุกข์เนี่ยมาอยู่วัดถือศีลแปดก็จะรู้ว่าเวลาไม่ได้กินไม่ได้ดืม่มมันทุกข์ไหมเวลาไม่ได้กินข้าวเย็นเนี่ย แต่มันเป็นความทุกข์ที่เราดับได้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากนี่เราดับได้ทำเพียงแต่หยุดความอยากเท่านั้นเองทำใจให้นิ่งทําให้ใจให้เฉยๆอย่าไปคิดถึงของที่เราอยากจะกินอยากจะดื่มมันก็มันก็ลืมไปความอยากมันก็หยุดไปหรือใช้ปัญญาก็ได้ แค่ว่าไม่ตายหรอกไม่ได้กินไม่ได้เดื่มมือเดียวแค่นี้ไม่ตายอันนี้เราสามารถที่จะแก้ได้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆด้วยการหยุดอย่าไปติดมันอย่าไปติดกับลาบยศสรรเสริญอย่าไปติดกับความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกาย วิธีจะทาให้เราไม่ติดได้ก็คือเราต้องมีของที่ดีกว่าของที่ดีกว่าราบยศสรรเสริญที่ดีกว่ารูปเสียงกลิ่นรสก็คือความสงบที่เกิดจากการมานั่งสมาธินี่ถ้าเรานั่งสมาธิทาใจให้สงบได้เราจะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่จะได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ พอเรามีความสุขที่เกิดจากความสงบนี้แล้วเราก็เลิกได้เลิกติดรูปเสียงกลิ่นลดเลิกติดลาบยศสรรเสริญได้เนี่ยพวกที่เป็นนักบวชนี่เขาไม่ติดลาบยศสรรเสริญเขาไม่ติดรูปเสียงกลิ่นลดผลพระเพราะเขามีสิ่งที่ดีกว่ามีความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงคือความสงบของใจ ใจสงบได้ด้วยสติถ้าสติมีกําลังมากก็จะหยุดความคิดได้หยุดความคิดได้ก็หยุดความอยากได้พอความคิดหยุดความอยากหยุดจิตก็สงบเกิดความสุขเกิดความอิ่มขึ้นมาเกิดความพอขึ้นมาไม่ต้องการอะไรไม่ต้องกินอาหารเย็นกินวันละเมื่อก็อยู่ได้เดือมน้ำํำ เ, เปล่าอย่างเดียวก็พอ ไม่ต้องมีน้ำที่มีสีมีกลิ่นมีรสไม่จําเป็นไม่สําคัญสำหรับร่างกายร่างกายไม่ต้องการสีกลิ่นรสร่างกายต้องการน้ำต้องการลมต้องการดินดินก็ข้าวร่างกายต้องการดินน้ำลมไฟมาเติมอยู่เรื่อยๆไฟก็เนี่ยความร้อนจากแสงจากดวงอาทิตย์ หรือความร้อนจากอาหารที่มันเข้าไปในร่างกายเวลารับประทานอาหารนี่เราจะเหงื่อแตกกันนะเราถาดดินน้ำนมไฟเข้าไปร่างกายต้องการเพียงเท่านี้ต้องการวันละหนเดียวก็พอเหมือนกับเติมน้ำมันรถเดินเติมทีให้มันเต็มถังไปเลยเติมหนเดียวทำไมต้องไปเติมสามสี่ครั้ง เวลาไปเตาน้ำมันไปสั่งเขาว่าเอาแค่ครึ่งถังว่ะเอาทีเดียวเต็นไปเลยทำในเวลากินข้าวทำน้องแบ่งเป็นสามสามตอนเนียัเอาตอนเช้าหน่อยตอนกลางวันหน่อยตอนเย็นหน่อยก็กินวันทีเดียวพร้องกันไปเลยหอนเดียวแต่ความอยากมันชอบมีกินอยู่ได้เรื่อย ถ้ากินหนอนเดียวนี่เดียวพอพออยากแล้วไม่มันกินไม่ได้แล้วก็เลยแบ่งไว้เป็นสามมื้อมื้อเช้าหน่อยมื้อกลางกลางวันหน่อยมื้อเย็นหน่อยก่อนนอนหน่อยออกินด้วยความอยากก็จะทุกเวลาไม่มีกิน เ, เวลากินไม่ได้เช่นกินมากเกินไปหมอห้ามแล้วบอกห้ามกินแล้ว ต้องลดน้ำหนักละเดี๋ยวเบาหวานเป็นมาละโรคหัวใจมาละโรคเกามาละโรคข้อเข่าเสื่อมมาละคนที่น้ำหนักมากๆนี่ข้อเข่ามันก็จะเสื่อมน้ำหนักมากๆก็จะทำให้เจ็บต้องลดอาหารจานั้นก็จะทุกข์ละ ฉันหันมนุษตั้งแต่ร่างกายยังไม่ไม่เสื่อมไม่ดีกว่านะกินน้อยๆกินพอประมาณอาจกินวาละมื้อดูก็ได้กินวาละมือได้รับรองไม่มีวันอ้วนนะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เกิดจากการกินมากเกินไป แต่นี่ก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญเรื่องร่างกายนี้จะดูแลมันถ้าดูแลมันดีมันก็ไม่ทุกข์มันก็ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมันก็อายุยืนแต่มันก็ต้องตายอยู่ดีเห็นร่างกายนี้ไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักของการปฏิบัติของเราเป้าหมายหลักของการปฏิบัติของเราคือต้องการรักษาใจไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวาย ให้ใจนิ่งให้ใจสงบให้ใจมีความสุขตลอดเวลาจะนิ่งจะสงบได้ตลอดเวลาก็ต้องมีสติคอยควบคุมความคิดความอยากต่างๆแล้วก็ใช้ปัญญาเข้ามาทำลายความอยากความคิดต่างๆที่ไม่ดีให้คิดว่าราบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันไม่เที่ยง อย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าอย่าไปมีดีกว่าเพราะพุทธเจ้าไม่มีลาบยศสรรเสริญไม่มีรูปเสียงกลิ่นทอดท่านก็มีความสุขได้มีความสุขเยมากกว่าที่ตอนที่มีลาบยศสรรเสริญเสียอีกขอให้มีความสงบเพียงอย่างเดียวเพียงรักษาความสงบเพียงหยุดความคิดให้ได้หยุดความอยากให้ได้เท่านั้นเอง เวลาคิดอยากได้อะไรก็ให้คิดว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากกันคนที่เป็นโสดเนี่ยบางทีอาจจะคิดว่าอยากมีแฟนพอคิดอยากจะมีแฟนก็บอก่มีแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากกันจะจากตอนไหนก็ไม่รู้บางทีคิดว่าจากกันตอนแก่แต่ยังไม่ทันแก่ก็จากกันก็มี ใช่ไหมเลยบางทีอยู่ด้วยกันก็ไม่ไม่สุขเองอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะกันตบตีกันเป็นคู่ชบกันสู้อยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่าเวลาอยากได้อะไรให้คิดอย่างนี้มาได้แล้วมันมามันจะทุกข์มากกว่าสุข สุกก็มีเหมือนกันแต่สุกต้นแต่ทุกปลายเหมือนยาขมเกือบน้ําตาลเวลาได้กันใหม่ๆนี่หวานเจีนะ๊ยบเลยดีไปหมดที่นกเป็นกาก็กาก็เป็นกาที่หมาเป็นแมวก็เป็นแมวแต่พออยู่กันไปสักครั้หนึ่ ง, งไม่เป็นอย่างนั้นแล้ว ความขมเข้ามาแล้วเคยเอาใจกันอย่างนี้ไม่เอาใจกันแล้วเอาใจตัวของเอาใจตัวกูแล้วเอาใจตัวเองแล้วอตอนใหม่ๆนี่เอาใจเขาโอ้ยเ้าอยากจะได้อะไรเอาใจเกงใจพอยอยู่กันไม่สักครั้งนี้ความเกงใจก็หมดไปความเอาใจกันก็หมดไปมันก็เลยกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา คิดเถเิดว่าอยู่ไม่มีอะไรเท่ากับอยู่คนเดียวดีแม้แต่ไม่มีร่างกายก็ยังอยู่ได้ร่างกายนี้ก็อย่าไปมีมันถึงเวลามันตายก็ให้มันตายไปเราไม่ตายไปกับร่างกายเราอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายดีกว่ามีร่างกายมีแล้วต้องแบกร่างกายอระพุทธเจ้าบอกว่าร่างกายนี้เป็นกองทุกข์ภาระเป็นภาระอันหนักอย่างยิ่ง ต้องเลี้ยงดูมันเหมือนคนที่มีลูกกับคนที่ไม่มีลูกเนี่ยใครสบายกว่ากันก็นไม่มีลูกก็ไม่ต้องมาเลี้ยงลูกเช้าตื่นขึ้นมาทำอะไรมาต้องจัดอ า, อาหารให้มันกินแต่งเนือ้อแต่งตัวอาบน้ำให้มันแล้วก็ส่งไปโรงเรียนแล้วเดี๋ยวเย็นก็ต้องไปรับมันกลับมาก็ต้องทำอาหารให้มันกินอีก อ า, าอาบน้ำให้มันอาบน้ำอาบทายเสื้อผ้าก็ลองเอามาซักมาให้มันอีกเป็นคนรับใช้อยู่ดีดีร่างกายนี่ก็เป็นเหมือนเจ้านายเราเราก็เป็นเหมือนคนรับใช้ร่างกายเราเนี่ยเดินขึ้นมาก็ต้องพามันเข้าห้องน้ําไปขับไปถ่ายไปอาบน้ำไปล้างหน้าแปรงฟันหวีผ้าหวีผมแต่งเนื้อแต่งตัวให้มัน แต่แล้วก็หาข้าวหาน้ําให้มันกินให้มันดื่มแล้วมันก็จะพาแล้วมันก็จะพาเราไปเที่ยวได้ถ้าเราอยากจะไปเที่ยวไหนล้วก็มันไปเที่ยวก็ได้แค่นี้ได้ให้มันพาเราไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงไปทําอะไรต่างๆแต่เดี๋ยวต่อไปมันก็แก่ก็ทําไม่ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทําไม่ได้ เวลาตายก็หมดให้มองให้เห็นร่างกายว่าอยากมีดีกว่าถ้ามีร่างกายนี้ก็ขอให้มันเป็นร่างกายขั้งร่างสุดท้ายร่างใหม่ไม่เอาแล้วถ้าเป็นรถยนต์ก็ขอให้มันเป็นคันสุดท้ายพอกันนี้พังก็ไม่ซื้อใหม่แล้วมีรถนี่ก็เป็นภาละใช่ไหม เหมือนกันรถก็เหมือนกับร่างกายก็ต้องเติมน้ํามันให้มันเติมน้ําเติมลมต้องคอยเช็คดูน้ํามันเครื่องต้องเอาเข้าโอ้ต้องร้างให้มันเพื่อมันจะได้พาเราไปไหนมาไหนได้ทถ้าเราไม่ไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้รถจ น, นถ้าเราไม่ต้องเสดลูกเสียงกลิ่นรถเราก็ไม่ต้องมีร่างกาย เั็นถ้าเราตัดความอยากได้แล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องมีร่างกายต่อไปเราก็อยู่แบบไม่มีร่างกายอยู่แบบพระพุทธเจ้าอยู่แบบพระสาวกตอนนี้ท่านก็อยู่แต่ท่านไม่ต้องมีร่างกายเหมือนพวกเราท่านมีความสงบความสงบก็คือนิพพานเนี่ยพระนิพพา น, านแปลว่าความสงบสงบเพราะปราศจากความโลภโกรธหลงปราศจากความอยากต่างๆ นี่หละคือวิธีอยู่อย่างสุขไม่มีความทุกข์อยู่โดยที่ไม่มีร่างกายอยู่โดยที่ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่โดยไม่มีความอยากต่างๆพวกที่ไม่มีร่างกายแต่ยังมีความทุกข์อยู่ก็คือพวกเทวดาทั้งหลายถึง แ, แม้เขาไม่มีร่างกายเขาก็ยังมีความอยากอยู่ยังเสอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ เวลาที่เขาไม่มีร่างกายให้มาเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรสทางร่างกายเขาก็เสบทางใจเสบ ร, รูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพเหมือนเวลาที่เรานอนหลับเนี่ยเวลานอนหลับเราฝันว่าเราไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่นี่ไปกินไปดื่มอะไรอันนั้นก็เรียกว่ารูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพเพราะเราไม่ได้ใช้ร่างกายเราใช้ใจเป็นตัวเนรมิตรูปขึ้นมา นึกขึ้นมานึกถึงอาหารขึ้นมานึกถึงรับประทานอาหารเวลาเราฝันเนี่ยนอนหลับฝันเนี่ยเป็นเรื่องของความคิดของเราทั้งนั้นแะคิดไปว่าเราไปเที่ยวที่นั่นที่นี่แล้วก็มีความสุขจากการไปเที่ยวพอพอถึงเวลาจะได้ร่างกายใหม่ก็มาเอาร่างกายใหม่แต่พระพุทธเจ้ร า, าราวนานี่ไม่มีความอยาก อยู่แบบไม่มีร่างกายแล้วก็อยู่แบบไม่มีความอยากก็เลยไม่ต้องกลับมมีร่างกายอันใหม่แต่พวกเทวดาอินพรหมนี่เขายังอยู่อย่างมีความอยากอยู่เขายังอยากได้ลาบยศจระเสริญอยากได้รูปเสียงกลิ่นนอตเยอะหรือพวกเปรตพวกอสูรรกายพวกนรกก็เหมือนกันตรงนี้ก็ไม่มีร่างกายแต่อยู่ด้วยความอยากอยากกาไม่มีอะไรให้ให้เสพ ก็เลยทุกข์อยากได้ความโกรธเกลียดเครียดแค้นคาตพยายาทบนั้นขอให้เรามาทําตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนให้เรามารักษาศีลกันมาเจริญสติเพื่อทําใจให้สงบกันจะได้มีความสุข แล้วเราก็จะได้เลิกหาความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสได้เราก็อยู่คนเดียวได้อยู่โดยไม่มีร่างกายได้ร่างกายตายไปเราก็ไม่ต้องไปมีร่างกายอันใหม่เพราะเราไม่ต้องเสด ร, รูปเสียงกลิ่นรสเราสามารถเสดความสงบได้มีความสงบให้เราเสดที่ดีกว่ารูปเสียงกลิ่นรส อันนี้แหละไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาบอกพวกเราพวกเราก็ไม่มีวันจะรู้ความจริงอันนี้พวกเราก็จะเสพรูปเสียงกลิ่นรวเสเพราบยศสรรเสริญไปแล้วก็รักตัวกลัวตายรักร่างกายกลัวมันจะตายแล้วก็รักษามันอย่างเต็มที่แต่รักษาอย่างไงก็รักษาไม่ได้ดูแลไม่ได้ เวลารักษาไม่ได้ก็ทุกขุนวายใจทรมานใจแล้วในที่สุดก็ตายไปตายไปก็กลับมาหาร่างกายอันใหม่ได้ร่างกายอันใหม่แล้วก็มาทุกแบบเดิมอีกเนี่ยเราทําอย่างนี้มาไม่รู้กี่ล้านครั้งแล้วเราจะทําอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาพบกับพระพุทธเจ้าก็ดีหรือพูดกับ พบกับพระธรรมคําสอนก็ดีหรือพบกับพระอริยสงสาวก็ดีท่านก็จะสอนเราว่าให้เรามาหาความสุขแบบไหนกันมาความสุขที่เกิดจากความสงบกันดีกว่าไม่ต้องพึ่งอะไรไม่ต้องพึ่งลาบยศสระเสรศไม่ต้องพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องพึ่งร่างกายเพราะของพวกนี้พึ่งไม่ได้พึ่งได้ชั่วคราวเวลามันเสื่อมไปเวลามันหมดไปก็ ทำให้เราทุกข์กันแล้วทําให้เรากลับมาหามันใหม่ต้องหามันใหม่เรื่อยๆ เ, เวลาเงินหมดก็ต้องหาใหม่เวลาตําแหน่งหมดก็หาใหม่เห็นไหมพอกเกษียรราชการแล้วก็ไปสมัครเล่นการเมืองกันต่อเพราะมันยังอยากได้ยศอยู่สันลเสริญก็เหมือนกันตางคอยไปทำอะไรคนเขาโยกย่องสันลเสริญอยู่เรื่อย คอยแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วให้คนก็เชมว่าสวยหลอ่อ <c oughs> แล้วก็มีความสุขแล้วก็ไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสไปดูมอหระศพบันเทิงต่างๆแต่เสพเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอต้องเสพไปจนวันตายเสพไปจนเสพไม่ได้พอไม่ได้เสพก็ทุกข์อีก แล้วพอตายไปก็กลับมาเสกมาเกิดอีกเนี่ยเป็นอย่างนี้มาไม่รู้กี่ล้านล้านครั้งแล้วแล้วจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยจนกว่าเราจะได้มาฟังเทศฟังธรรมกันแลมารู้ว่าเรามีวิธีที่ดีกว่านี้วิธีที่ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายซ้ำซากวิธีนี้ก็คือมาทำใจให้สงบกันมาถือศีลกันกหยุด กิจกรรมทางตาหูจมูกเล่นกายกันแล้วก็มาทํากิจกรรมทางใจทาใจให้สงบจเจริญสติให้มากๆสติเป็นเหมือนเบรกรถถ้าไม่มีเบรกก็หยุดไม่ได้เราจึงต้องติดเบรกเช็ดเบรกอยู่เรื่อยๆว่าเหยียบปั๊บหยุดไหมถ้าเรามีสติแบบเบรกรถยนต์นี้สบายเลยพอรถจะขยับปั๊บก็หยุดมเลย พอจะอยากปั๊บก็หยุดมันเลยพอจะคิดอะไรปั๊บก็หยุดมันเลยออย่างนี้ถ้าเราไม่สติแบบนี้แล้วต่อไปเราสบายแต่ตอนนี้พออยากอะไรปุ๊บเบรกไม่อยู่พอคิดอะไรปั๊บเบรกไม่อยู่พอโกรธใครเนี่ยเบรกไม่อยู่เพราะไม่มีเบรกกันจึงต้องมาหัด ส, สร้างเบรกกันนะมหัดพุทธโธพุทธโธกัน พูดโธไปเรื่อยๆเหลยวต่อไปเวลามันอยากปุ๊บเราก็พูดโทพุดโธปับ๊บมันก็หยุดไปเวลามันโกรธปุบ๊บเราก็พูดโธพูดโธไปมันก็หยุดไปถ้าหยุดมันได้ต่อไปไม่ต้องพูดโธก็ได้เพียงแต่บอกให้มันหยุดมันก็หยุดนี่คือเบรกที่เราไม่มีกันที่เราควรที่จะมาสร้างกันจะสร้างเบรกนี้ต้องอยู่คนเดียว อยู่คนเดียวแล้วก็อย่าไปคิดอะไรให้อยู่ในปัจจุบันอย่าไปอดีตอย่าไปอนาคตอย่าไปที่ใกล้ที่ไกลให้อยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้อยู่ตรงนี้ให้จิตอยู่ตรงนี้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายหรืออยู่กับพุทโธไปเรานั่งเฉยๆสักหกชั่วโมงด้วยอยู่ตรงนี้นะให้ฝึกสติก็คือให้นั่งเฉยๆนะ แล้วก็ให้หยุดความคิดหยุดความอยากต่างๆอันนี้เป็นการฝึกสติให้นั่งแบบสบายไม่ต้องทรมาณร่างกายหะเก้าอี้นั่งให้สบายแต่ยังมห้ามหลับห้ามหลับห้ามดูห้ามฟังอะไรใช่มั้ยให้นั่งเฉยๆให้หยุดความคิดสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายถ้าจะดื่มน้าก็ดื่มน้าเปล่าๆได้อย่างเดียว อาหารก็เราให้ครบเวลาก่อนค่อยไปกินแล้วกินก่อนแล้วข่อยมานั่งก็ได้ถ้าจะลุกก็ลุกเข้าห้องน้ำได้หรือถ้าเมื่อยก็ลุกขึ้นยืนได้แต่ไม่ให้ไปเดินให้อยู่กับที่ให้จิตอยู่ในปัจจุบันอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้เรียก ว, ว่าปัจจุบันให้อยู่กับร่างกายอย่าให้ไปที่นูน่นที่นี่เวลานั่งก็อยากจะไปเดิน พอไปเดินก็อยากจะมานั่งันก็ยังไม่อยู่ปัจจุบันให้มันอยู่ปัจจุบันให้มันอยู่ที่เดียวถ้าทำได้ต่อไปจะมีกำลังหยุดใจได้หยุดความคิดหยุดความอยากได้หยุดความทุกข์ได้หยุดความไม่สบายใจได้ทำใจให้สงบ ถ้านั่งก็จะพุทธโทรไปก็ได้จะดูลมหายใจไปก็ได้จะสวดมนต์ไปภายในใจก็ได้แต่ไม่ให้เปิดดูอะไรไม่ให้ฟังอะไรมือถือก็ให้ปิดซะไม่รับค่าไม่รับสายไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นไม่ยุ่งกับใครอยู่คนเดียวกำลังสู้กับความอยากให้สู้กับความอยาก ถ้าเราสู้กับมันแล้วต่อไปมันก็จะยอมแพ้เราเองถ้าเราไม่ยอมแพ้มันมันก็ต้องยอมแพ้เราต่อไปมันจะชวนให้เราไปทำนู่นทำนี่ก็ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ไปถ้าจำเป็นก็ไปส่วนใหญ่มันไม่จำเป็นอ่ะมีแต่อยากนะอยู่เฉยๆไม่ได้อยากทำนู่นอยากทำนี่แก้คันไปแต่เขาบอกว่าเกาไม่ถูกที่คัน ที่คันก็คือความอยากมันกลับไปทำตามความอยากมันก็เลยไม่แก้ต้องหยุดความอยากถึงจะหายคันต่อไปถ้าไม่มีความอยากเราอยู่เฉยๆสบายไม่รู้สึกคันที่มันคันเพราะความอยากอยากไปนูน่นอยากจะมานี่อยากจะทำนูน่นอยากจะทำนี่อยากจะดื่มนั่นดื่มนี่กินนั่นกินนี่ดูนั่นดูนี่ฟังนูน่นฟังนี่นี่คือความคันของใจ วิธีที่ยาไม่ให้มันขันก็หยุดมันเสียหยุดด้วยความอดทนก็ได้เฉยๆไม่ต้องไปตอบสนองมันมันอยากก็ไม่ทําเดี๋ยวมันก็หมดกําลังไปเองถ้าถ้าทรมานก็ใช้พุโทโธช่วยก็แหละเวลามันอยากก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วสวดมนต์ไปอิติปิโสอาลังสัมมาสวัสดิ์ตโตสุปฏิปันโนไปนหรือนั่งดูลมหายใจไปหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกะ ทำอะไรแบบนี้สลับกันไปจนกว่าความคันมันหายไปความอยากหายไปพอความอยากหายไปใจก็เย็นสบายเบาอยู่เฉยๆได้มีความสุขไม่ต้องทำอะไรเป็นความสุขมากกว่าไปทำอะไรเลยทำนวาเหนื่อยต้องไปมีต้องไปหาหนูน่นหานี่มาทํากันต้องเสียเงินเสียทองไป ซ, ซื้อนู่นซื้อนี่มาทานูน่นทานี่กัน อยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเสียเงินเมื่อไม่ต้องเสียเงินก็ไม่ต้องไปหาเงินสบายหยุดความอยากตัวเดียวแล้วปัญหาต่างๆหมดปัญหาโลกแตกทุกวันนี้ก็คือปัญหาที่ความอยากนี้พออยากได้อะไรไม่ได้ก็เลยว่าไม่พอใช้ก็ไปใช้มันเพราะอยากใช้มันเมื่อมันมีใช้มันก็ไม่พอใช้ถ้าไม่อยากจะใช้มันจะจามันทามันจะไม่ไม่พอใช้ ไม่อยากใช้มันก็มีเหลืออยู่นั่นแหละถ้าเราไม่ไปใช้มันถ้าเราไม่ใช้เงินมันจะไม่ไม่พอใช้ได้ไงเงิไม่พอใช้ properly, เพราะมันอยากจะใช้ใช้ไปมันก็หมดหมดก็มันก็ไม่พอใช้เถ้าเราไม่มีความอยากใช้เงินมีกี่ตังค์มันก็อยู่อย่างนั้นถ้าเราอยู่เฉยๆได น, น, นั่งๆๆเฉยๆหกชั่วโมงได้ต่อไปแล้วก็นั่งหมอนทุกวันวันไหนมันอยากจะใช้เงินก็นั่งเฉย ๆ, ๆ ประหยัดเงินจนกำลังมาป้นรู้ป่ะเวลาอยากไปใช้เงินเนี่ยมีโจนเข้ามาแล้วรู้ป่ะมันเข้ามาทางใจเรามันไม่ได้เข้ามาทางบ้านเรามันเข้ามาในใจเรามันชวนเราไปใช้เงินเนี่ยจนรู้ป่ะอยากซื้อนู่นอยากซื้อนี่ขึ้นมาเนี่ยอยากไปเที่ยวอยากไปใช้เงินเนี่ยกำลังถูกโจนปล้นเลยไม่รู้สึกตัวรู้ป่ะ คิดว่าเพื่อนเป็นเพื่อนเพื่อนมาชวนไปเที่ยวหาความสุขกันความสุขจากการไปเที่ยวก็สุขเดียวเดียวพอกลับมาบ้านก็เหมือนเดิมกลับมาไม่บ้านก็เหง า, ว, าว้าวเวเศร้าซ้อยหงุดหงิดต้องอยากไปเที่ยวอีกฉันหันนั่งเฉยๆให้ได้แล้วต่อไปไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปทำอะไรอยู่ที่เฮสบายจะตายไห ไม่คันแถ้วต่อไปความอยากหมดแล้วใจจะไม่ขันที่มันคันคันเพราะความอยากเน้นเราต้อง เ, อเกาที่ขันก็คือหยุดความอยากถ้าหยุดความอยากได้แล้วต่อไปมันจะไม่ขันมันจะอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขนะคิดว่าเอาแค่นี้ก่อนจะให้พรยะท้าวเรวะหาปุราปะเรปุเรนติสาคารัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปฏิอิที่ตังปฏิตังตุมหังคิดวเมวะสมิจระโตสัพเพปเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยทามนิจโตติระโสยทัสพีติโยวิวาจจันโตสัพพารโควินัสตุ มาเตพวัตะวันตาลายยสุขีธีขาโยโกผวะอาพิวะธานาสีดิสะนิจังวุทธาปจายโนจตารูธรมมวาทานติอายุวันูสุขังภาลางใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้นะมีคำถาม แล้วที่วิทยุนี้รู้ไหมว่ามีคนเข้ามาเท่าไหร่ดูให้ใค่ะดูได้ ว, ว่ามีใครเข้ามาเท่าไหร่ส0คนค่ะสิบคนนะสี่ร้อยยี่สิบสี่ร้อยสามสิบสี่ร้อยหกสิบรวมกัน YouTube ประมาณสามสิบใช่ไหมสามสอาิบสองัน่สองกับสิบก็เป็นสี่สิบสองส แล้ว420ก็ประ่าณ462มากกว่าที่นี่ีที่นี่มีประมาณ20กว่า20กว่าคนนะก็คุ้มค่าไฟฟ้าค่าน้ำค่าไฟลนะ่ะเมื่อก่อนถ้าไม่มีถ่ายทอดสดก็ไม่มีกำลังใจจะพูดนะ่ะมาก็สองามคนสี่ห้าคนแล้วก็หน้าเก่า มาก็นั่งเฉยๆไม่ยอมพูดไม่ยอมอะไรจะฟังเทศอย่างเดียวฟังเทศมันก็ต้องมีคำถามบ้างมันจะได้มีประเด็นพูดถ้าให้พูดมันก็เดี๋ยวก็พูดแบบติดติดล่องพูดเรื่องเก่าแต่ถ้ามีคำถามก็จะได้มีประเด็นใหม่ๆมีั้มอยากจะถามอะไรไหมได้ลองนั่งดูยัง อันอันนั่งสมาธิดูยังอะลองนั่งเฉยๆสักชั่วโมงได้ยังเกือบเล้ยเคยลองอยู่แล้วที่บ้าคนเดียวครั้งเดียวทำไมอยู่คนเดียวอลองนั่งเฉยๆดูเถอะไม่รู้จะทําอะไรไม่ต้องดูอะไรไม่ต้องฟังอะไรไม่ต้องกินอะไรเดิมแต่น้ําเปล่าถ้าหิวน้นําก็เดิมแต่น้ําเปล่า เราหัดนั่งเฉยๆก็เลยก็อยู่เป็นสุกไงหัดอยู่เป็นสุกกันแต่อยู่ก็ไม่สุขกันไงจะพยายามทำอ่ถ้ามันที่มันไม่สุกเพราะมันยังคันอยู่มันยังอยากอยู่ถ้ามันนั่งแล้วอึดอัดอึดอัดนี่แสดงมีความอยากถ้าความอยากมันหยุดแล้วมันจะโล่งมันจะเบามันจะสบายต้องตอนตอนนั่งเฉยๆนี่เหมือนกับตอนบีบ รีบหนองออกจากแผลเนี่ยต้องทรมานหน่อยยอมเจ็บหน่อยรีบมันออกไปรีบความอยากออกไปให้มันอึดอัดไปเดี๋ยวมันอึดอัดจะแบบอกจะแตกก็เดี๋ยวมันแตกมันระเบิดไปพอมันระเบิดปั๊บหายเลยที้โล่งเบาเลยความอยากมันเป็นเหมือนลูกระเบิดเวลาเราเวลาเราไปบีบมันเนี่ยเหมือนกับมันอึดอัดอึดอัดมันจะเป็นบ้าเคยเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ยอมแพ้มันมามันจะเป็นอย่งนั้มันเป็นไปเดี๋ยวพอมัน แตกพรอนี่มันหายไปเลยเหมือนลูกระเบิดปั๊บตุ้มแล้วก็ว่างสบายโอ้เนี่ยเห็นจะรู้ว่าไอลฤทของความอยากนี่มันสุดแสนทรมานทรมานแล้วจะมาอยากอีกเปล่าคะอยากก็หยุดมันได้เนี่ยแล้วก็หยุดมันได้แล้วไม่กลัวอะไรนี่เราก็จะทําตามความอยากที่จําเป็นถึงเวลากินก็กินถึงเวลาต้องไปซื้อกลับข้าวก็ไปถึงเวลาจะทําอะไรก็ทําได้ แต่ถ้าไม่มีเหตุมีผลก็คันขึ้นมาก็ไม่ไป่เฉยๆแต่มันต้องผ่านในตัวเนี่ยตัวที่มันรู้สึกอึดอัดโอ้โหทรมานจิตทรมานใจเนี่ยแล้วไม่ยอมแพ้มันปล่อยให้มันเต็มที่เลยให้มันระเบิดออกไปเลยพอมันระเบิดตูมเนี่ยมันหายไปเลยเบาเลยสบายเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังเลยเลย ตอนที่มันตอนที่มันจะระเบิดเนี่ยโหท้อกจะแตกตายอย่างนั้นอ่ะพอมันระเบิดปั๊บโอ้ยหายไปหมดเลยอนกก็เราทําได้ครั้งหนึ่งแล้วมันไม่ทำมันไม่มาแล้วมันรู้ว่ามันมันสู้เราไม่ได้แล้วแต่มันยังมันยังจะมีอย่างอื่นอยู่ปัญหาอยากอย่างอื่นยังมีอยู่เดี๋ยวมันก็ไปอยากยังห่วงลูกยังห่วง อะไรอยู่อย่างนั้นมันก็ต้องแก้มันไปเป็นเรื่องๆไปแต่ปัญหาตอนแรกนี้ก็คือปัญหาที่อยากจะไปนู่นมานี่ทํานู่นทํานี่อยู่แบบไม่เป็นสุขเนี่ยจับมันนั่งเฉยๆไอ้มันรับอกแตกตายสักทีวะให้มันรู้ไปมันไม่ตายแล้วถ้ามันแตกเมื่อไหร่มันกิเลสตายความอยากตายพอมันตายแล้วมันเบามันโล่งเยทีนี้อยู่เฉยๆได้ละไม่มีอะไรทําก็ไม่ไม่ต้องไปหาอะไรมาทํา แต่มันยังมีอยากเรื่องอื่นอยู่ยังอยากยังอย่างอื่นที่อันความอยากอย่างอื่นที่เรายังไม่ได้เลิกมันก็ยังมีอยู่ยังอยากอยากเก็บเงินว่าอยากได้เงินอยากอะไรนี้อยากยังติดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ก็ต้องไปตัดมันก็ตัดแบบเดียวกันนี่แหละตัดแบบว่ายอมันทุนมองว่าทุกอย่างเนี้ยมันก็ต้องหมดไปเงินทองมันก็ต้องหมดถ้าไปกังวลกับเรื่องเงินทองก็ช่างหัวมัน ถ้าเราอยู่เฉยๆได้เราไปเดือดร้อนในเรื่องเงินทองกินวันละมื้อก็อยู่ได้ละไม่ต้องใช้เงินใช้ทองอะไรมากมายหาเงินไม่ได้ก็ไปบวชเนี่ยเราก็เหมือนกันเนี่ยพอเงินหมดเราก็เลยไปบวชเลยเพราะให้ไปทำงานหาเงินอีกไม่เอานีกว่าไปบวชดีกว่าสบายกว่าเพราะเราไม่ต้องการใช้เงินก็ใช้เท่าที่จำเป็นซื้ออาหารกินเท่านั้น่ะน งั้นก็ไปบวชก็เหมือนกันไปบวชก็เหมือนไปทํางานนะไปทํางานหาข้าวกินหาที่ที่อยู่อาศัยไปบวชเขาก็ไม่ให้กินให้นอนอยู่เฉยๆก็ต้องทําหน้าที่ต้อ ง, งรักษาศีลต้องปฏิบัติทำอะไรไปเอาไอ้ตัวแรกนี้ให้ได้ก่อนไอ้ตัวที่อยู่เฉยๆไม่ได้แล้วรู้สึกอกจะแตกตายให้มันแตกไปยิงๆทักวันะไม่ตายหรอก ไอตัวไอตัวตัวกิเลสนี่มันจะตายตัวความอยากมันจะตายถ้าปล่อยให้มันอกแตกตายแบบนี้เพราะมันแตกระเบิดปุ๊บมันหายไปเลยทีนี้มันว่างมันโล่งเบาอกเบาใจขึ้นมาสบายอกสบายใจขึ้นมาแต่ตอนที่มันจะแตกนี่เหมือนยัเหมือนมืนจะเป็นคนบ้านะโอโหมันทรมานใจว่ากโอโหมันสุดสุดเลยเออ พอเราไม่ยอมไปไม่ยอมทําตามมันปับ๊บมันยอมแพ้ปับ๊บมันหายไปเลยโล่งเยเบาสบายเี่ยต้องยอมรีดหนองต้องยอมออกแตกตายถึงจะฆ่าตัวนี้ได้ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันก็ดึงเราไปนูน่นดึงมานี่อยู่นั่นเดี๋ยวก็ไปนูน่นเดี๋ยวก็ไปนู่นเสรจก็อยากจะมานี่มานี่ก็อยากจะไป น, นู่นเนนีมัก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่เลยไม่มีวันสิ้นสุด ตอนนี้ไม่ต้องทรมานร่างกายตัวนี้ทรมานความอยากร่างกายยังไม่ต้องไปทรมานมันอ่ะทรมานร่างกายก็อตอนที่เราต้องการปล่อยความเจ็บก็ต้องปลุกความเจ็บขึ้นมาแล้วก็ปล่อยมันให้มันเจ็บไปอันนั้นเกิดความอยากอีกแบบเน่ยมันมีหลายตัวความอยากมันมีเยอะแยะไลยหมดต้องแก้มันไปทีละตัว อ, อยู่เฉยๆได้ก็รู้ว่าอไม่ต้องไปทำงานแล้วไม่ต้องไปหาเงินไม่ต้องใช้เงินแล้วไปบวชได้แล้วาราบยศสันเสริญไปได้ก็พระพุทธเจ้าก็มีลูกอนะ่ะก็ถ้ายังไปไม่ได้ก็รอไปก่อนก็ไม่ได้บอกให้ไปทันทีนันได เดี๋ยวถึงเวลามันอยากจะไปต่อให้ช้างก็ฉุดไม่อยู่อย่าว่าแต่ลูกไง <laughs> ถ้ามันถ้ามันรู้ว่าไปแล้วดีกับอยู่กับลูกมันไปนานแล้วมันไม่ห่วงไม่ห่วงลูกปฏิบัติไปแต่ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวถึงเวลามันมันไปเองมันไปด้านไันไปที่มันไม่ไปเพราะมันยังไม่มีกำลัง ความอยากฉุดไว้อยู่อยากอยู่กับลูกอยาก่วงลูกเนก็ไปไม่ได้ก็เราไปเรามีสมบัติทิ้งเันเยอะแยะมันไม่เสียดายไม่ไม่เสียใจหรอกแม่ทิ้งเงินทองไว้โนเยอะแยะี่เขาีใจแม่ไปหรืพุทธเจ้าไปเขาไม่มีใครเดือดร้อนย พระเจ้าทิ้งสมบัติไว้หมดเนี่ยลูกเมียไม่เดือดร้อนใช่ไเมไม่หรอกถ้ามันเห็นว่าทุกอย่างที่เรามีอยู่นี่เป็นทุกข์เราก็ไม่อยากจะอยู่กับมันละแต่ตอนนี้เรายังมองไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะเรายังต้องเรายังหาความสุขจากมันได้อยู่เล็ก ๆ, ๆ, ๆน้อยๆก <c oughs> <c oughs> ็ยอมแต่ถ้าเราได้ความสุขที่เกิดจากการหยุดความอยากได้นี่โอยมันสบายกว่า อยู่คนเดียวได้ไม่ต้องมีอะไรได้มันก็ไม่เอาละมันก็ไม่อยากได้อะไระมีคำถามเข้ามาไหมคำถามจากคุณไพโรธเวลาบังคับจิตให้อยู่ในร่องในรอยเช่นให้ภาวนาแล้วจิตมันหนักไม่ปลอดโปรง่งบางทีเครียด มันเกิดจากอะไรแล้วควรแก้ไขอย่างไรครับเนี่ยก็เพิ่งตอบไปเมื่อกี้เนี่ยมันเกิดจากความอยากนะมันชอบชอบไปคิดเรื่องโน้น เ, เรื่องนี้อพอบังคับให้มันอยู่ในล่องในรอยไม่ให้มันคิดมันก็เครียดขึ้นมาเหมือนเวลาถูกจับเข้าไปคังในคุกนี่เป็นไงเครียดไหให้ไปอยู่เฉยๆสบายจตายกลับไปเครียดยไม่ต้องทำอะไรให้ไปนั่งอยู่ในกลงอย่างอยู่ในห้องเฉยๆเนี่ยสบา ย, ยตายกลับเครียด พราะความอยากอยากจะทํานู่นทํานี่เนี่ยแต่ถ้าเรานั่งเฉยๆ6ชั่วโมงได้เนี่ยรับรองไปติดคุกจะไม่เดือดร้อนะเฉยๆก็เปลี่ยนที่นั่งเท่านั้นเองจากนั่งข้างนอกคุกไปนั่งในคุกก็เหมือนกันตอนที่เรานั่งเฉยๆนี่เหมือนกับหัดติดคุกลูกอ่ะเหมือนกับเราติดอยู่ในคุกเนี่ยถ้าเรานั่งเฉยๆได้ต่อไปไปติดคุกก็ไม่เดือดร้อนอะไรไปก็ไปนั่งเฉยๆก็ไม่ได้ไปทําอะไรเราเนี่ย ก็ไปขังเราในกองนั่นเลยให้เราอยู่เฉยไปนมันไม่ถึงหกชั่วโมงได้แล้ว่ะนั่ไม่ถึงหกชั่วโมงนะคะก็นั่งให้มันแตกก็แล้วกันให้มันอกแตกตายนะฮะบางทีไม่ต้องถึงหกชั่วโมงอ่ะบางทีชั่วโมงเดียวถ้านั่งแบบไม่ไม่ใช้อะไรเลยนะปล่อยให้มันอยากให้มันเครียดให้มันตึงจนกระทั่งมันอกแตกตายเนี่ยเราให้มันแตกไปเลย พอมันแตกไปปั๊บนี่มันก็สบายมันก็นั่งต่อไดไ้ไม่มีอะไรที่อยากจะทำะไรลนะอยู่เฉยๆได้นะแต่ถ้านั่งหกชั่วโมงมันยังไม่แตกมันก็ยังไม่ได้ผลถ้าอยากจะให้ผลก็นั่งต่อไปวิธีที่อยากจะให้ผลก็ไม่ต้องใช้พุทโธไม่ต้องใช้อะไรใช้ขันติตัวเดียวใช้ความอดทนตัวเดียวสู้กับมันเมื่ออยากจะอึดดาก็ปล่อยมือกาษไป อย่างนี้จะได้ผลไวกว่าบางทีไม่ถึงหกชั่วโมงใาจาจะมีความอดทนกับความรู้สึกอึดอัดนั่นอะไรต่างๆหรือไม่เนี่ยถ้าอดทนสู้กับมันได้แล้วปล่อยให้มันรู้สึก อ, อกแตกแตายไหมมันมันแตกจริงๆเวันลามันแตกแล้วมันหายไปเลยหายแล้วเบาสบาย นัแบบสุดๆเลยไม่ทําอะไรไม่ทําอะไรเลยปล่อยให้มันปล่อยให้มันก่อตัวขึ้นมาความอุดอิดความเครียดอะไรปล่อยให้มันปล่อยเออมันเครียดเท่าไหร่เครียดไปมึงอย่าทําอะไรกูไม่ทําอย่างเดียวนะมึงอยากให้กูลุกไม่ลุกอยากให้ไปท่านเดินไปนู่นมานี่ไม่ไปอะไรนะปล่อยให้มันรู้สึกเครียดจนกระทั่งมันเต็มที่แล้วเดี๋ยวมันก็จะแตกของมันไปแตกแล้วก็เบาสบายลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นสภาวะธรรมหรือเปล่า ก็สภาว่าของความอยากนอยากแผงฤลิทไงความอยากแผงลิทเนี่ยทําตอนนั้นได้ไปไหนนานแล้วคดูหนังไม่อยากดูอยากนั่งสมาธิแล้วลองไปดูนั่งดูเขาจับดูในหนังเราแบบเหมือนไม่ค่อยสนุกอ่ะไม่ไม่รู้สึกกระในหนังอดูแล้วมันก็ไม่มาอยากอยู่บ้านเลยเขาชวนไปทางบ้านเลยไปดราอะไรนี้ก็ไปอย่างนั้นอ่ะไปแล้วเลยทํามถ้าเรไม่ไป ต่อไปไี่มีใครชวนแล้วลไปไม่มา <c oughs> มมไม่สนุนแล้ว ม, มันอยู่ที่เราถ้าเขาชวนเราไม่ไปทุกอย่างต่อไปเขาก็ไม่ชวนเราเองอ ม, มันก็เหมือนกับ เ, เ, เป็นเป็นเป็นประสบการณ์ในการผ่านความอยากในแต่ละช่วงไปใช่ไหมความอยากที่อยากจะทํานู่นทํานี่อยู่เฉยๆไม่ได้เรา อ, อยู่เฉย ๆ, ๆแล้วให้มันรู้สึกอกแตกตายไปให้มันแสดง อุดอัดให้มันเต็มที่เอามันเต็มที่แล้วมันก็จะระเบิดเหมือนเหมือนเหมือนน้ำที่ถูกอัดด้วยอะไรมากๆเดี๋ยวมันก็แตกอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันเวลาอยากจะทําอะไรมากๆแล้วไม่ได้ทํานี่มันจะเครียดมันจะตึงมันจะอุดอัดเนี่ยปล่อยให้มันเต็มที่เลยอย่าไปทําตามมันเดี๋ยวพอมันเต็มที่มันจะหยุดมันจะหยุดมันจะแตกเหมือนมันจะระเบิดแล้วมันก็หายไปความอุดอัดต่างๆหายไปหมด เบาสบายหายเหมือนกับหายไขย้เป็นไข้เวลาเป็นไข้ก็คุมหัวมันเลยคุมโป่งให้มันร้อนให้มันร้อนเต็มที่เลยพอมันร้อนเต็มที่เงือแตกเต็มที่ปั๊บเดี๋ยวไข้หายแห ล, ละอันนี้ทางร่างกายแต่ทางใจก็คล้ายๆกันนะยืนกระต่ายขาเดียวว่ากูไม่ทําตามมึงที่มึงอยากนะอยให้กูทำอะไรกูไม่ทากูย่นั่งอยู่ตรงนี้ ต้องทําดูไปลองนั่งเฉยๆดูแล้วไม่ต้องทำอะไรปล่อยให้มันอึดอัดขึ้นมาให้มันให้มันเติมเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเต็มที่ของมันแล้วมันก็จะหายไปมันก็จะแตกหายไปนี่ก็รู้สึกโล่งอกโล่งใจเบาอกเบาใจเป็นเป็นคนละคนไปเลยเมื่อกี้จะเป็นถ้าจะเป็นเหมือนคนบ้าแต่พอไอตัวนี้หายไปปั๊บโอ้ยสบายเซ่อเหมือนขึ้นสวรรค์เหมือนจาก จากนรกขึ้นสวรรค์จิตเวลามันพลิกเนี่ยเวลามันทุกข์มากมาเนี่ยมันตกนรกนะทุกข์เพราะความอยากเพราะความอยากมันดับไปปับ๊บมันก็ขึ้นสวรรค์เลยเบาอเบาใจสุขใจสบายใจเห็นต้องฝืนความอยากให้ได้ฝืนแล้วจะมีความสุขแต่ต้องทุกข์ก่อนจะสุขต้องทรมาน ก, ก่อนอย่างคนอยากก็เล่าอยากไปกินมันมันอยากจะกินไม่กินมัน เดี๋มันหมดแรงอยากมันก็สบายแล้วต่อไปไม่ไ ม, ไม่ไม่อยากกินแล้วแหละอยากสูบก็เลยอย่าเก็เมือนกนอยากกินกาแฟก็เหมือนกันอยากไปกินมันลองสู้กับมันเอาทีละตัวเนี่ยเนี่เป็นความอยากทั้งนั้นอ่ะถ้ากินแล้วต้องกินมันจนมันตายใช่ไหอต้องสูบก็สูบไปจนกลายจะสูบไม่ได้แล้วตายอย่งนี้อย่าไปสูบมันอยากจะสูบกูไม่สูบอยากจะสูบกูไม่สูบ เดี๋ยวมันก็หมดแหหมดแรงแต่ก่อนจะหมดแรงตอนนั้นทรมานโอ้ยจะเป็นลงแดงจะตายให้ได้ <c oughs> พอเลิกได้ปั๊บโอ้ยสบายพอหยุดได้สบายนี่แหละเราสร้างความทุกข์ให้กับเราโดยไม่รู้สึกตัวเนี่ยพวกที่ไม่เคยติดยาเสพติดอย่าไปริเนี่ยพอไปเิะแล้วมันพอไปเล่าแล้วมันติดแล้วพอติดแล้วนี่เลิกยาก เวลาเลิกนี่มันทรมานเหมือนกันติดยาเสพติดเวลาความอยากเกิดขึ้นก็เหมือนกันอยากยาเสพติดอยากลุกไปนู่นมานี่ก็เป็นเหมือนอยากยาเสพติดเหมือนกันแต่เราไม่รู้มันเป็นยาเสพติดคำถามทางยูทู e จากผู้ประสอง์ออกนามค่ะพระอาจารย์คะเดินจงกรมอย่างไรดีคะเอาเดินไปสักพักบางทีรู้สึกเวียนหัวเจ้าค่ะ บางทีจะล้มเลยหันมานั่งแทนแต่นั่งได้ยี่สิบนาทีก็เกิดเหี็บชาที่ขาลูกขอคำแนะนำจากการเดินจงกรมได้เจ้าค่ะเดินเ้าต้องมีสติต้องพุทโธพุทโธไปตลอดเวลาอย่าเดินเฉยเฉยอย่านั่งเฉยเฉยขยันพุทโธะขยันพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วมันจะไม่ไม่ไม่เซ่เวลานั่งก็จะไม่เจ็บชามันจะสงบมันจะสบายมันจะมีความสุข เวลาเดินก็พุทโธไปซ้ายขวาก็ได้เดินก้าวท้ายก็บอกซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาอย่าปล่อยให้อย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวมันจะมันจะโลเลมันจะไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ต้องเดินด้วยสติต้องพยายามสร้างสติขึ้นมาพุทโธพุทโธไปสวดมนต์ไปก็ได้อิติปิโสไปสวดไปเดินไปก็ได้ แต่ก็ต้องดูด้วยในเวลาเดินไม่ใช่สวดไปแบบไม่ดูเดี๋ยวเดินไปชนต้นไม้ชนอะไรเดนไปเหยียบงงเหยียบงูเข้ามันก็ต้องดูเ้อยดูด้วยแต่ก็ต้องสวดด้วยเอแล้วพุทโธด้วยคำถามจากคุณจารุวัฒ <C oughs> นั่งปฏิบัติแล้วมีความรู้สึกว่าพุทโธหายไปลมหายใจก็หายไปแบบนี้ควรทําอย่างไรหรือรู้อะไรต่อครับ หายไปแล้วตัวรู้หตัวเราหายไปหรือเปล่าตัวเรายังอยู่หรือเปล่าถ้าตัวเรายังอยู่เรายังรู้อยู่เฉยๆก็ให้รู้อยู่เฉยๆไปแต่ถ้าตัวรู้ก็หายไปแล้วยก็แสะดงว่าหลับก็ต้องรอให้มันตื่นก่อนอันนี้ก็แสดงว่านั่งหลับไม่ได้นั่งสมาธิถ้านั่งสมาธินี่ตัวรู้ต้องรู้อยู่ตลอดเวลารู้ว่าลมหายไปรู้ว่าพุโทโธหายไป แต่รู้ว่าตัวรู้ไม่หายยังตัวรู้ยังรู้อยู่เต็มเต็มที่อย่างเงี้ยแสดงว่าเป็นสมาธิแค่รู้อยู่างเงี้ยเฉยๆไปไม่ต้องทําอะไรต่อไปเราจะได้รู้จักว่าอยู่เฉยๆก็มีความสุขได้ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องทําอะไรอีเล่บรรเบมาหลอกให้เราทํานู่นทํานี่มีนู่นมีนี่แล้วถึงจะมีความสุขแต่ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่เรารู้เฉยๆอยู่กับความรู้เฉยๆได้ดีที่สุด ถัมจากคุณจำใจกรณีที่หยอดเงินทำบุญทำทานใส่กระปุกไว้ทุกวันจะอุทิศบุญทุกครั้งที่หยอดได้ไหมคะหรือต้องอุทิศตอนที่ได้นําเงินที่หยอดกระปุกไปถวายพระหรือบริจาคแล้วจึงจะมีบุญให้อุทิศคะก็มันยังไม่เรายังไม่ได้เอาไปถวายมันยังมันมันยังเป็นของเราอยู่ก็ต้องเอาไปถวายก่อนแล้วค่อยอุทิศ อพาะตอนนั้นเดี๋ยวกิดเพอหยิบมาใช้ขึ้นมาเรียอุทิศได้ไงเกิดวันดีขึ้นดีขาดเงินขาดทองขอยืมเงินก่อนยังอุทิศไม่ได้หรอเพราะยังไม่ได้เพียงแต่เราแบ่งแบ่งเงินก้อนนี้ไว้สำหรับทําบุญเท่านั้นเองเพราะถ้าเราไม่แบ่งมันเดี๋ยวเราถึงเวลาทําบุญมันจะไม่มีเงินทําเพราะกิเลมันจะแย่งไปทําซะก่อนกิเลมันจะแย่งไปกินซะก่อนเราเลยต้องมีมาตรการแบ่งเงินไว้สำหรับทําบุญใส่กข้ปลกไว้ เัมือนที่เราสอนลูกๆให้ให้ให้เก็บเงินใส่กระปุกไว้เผื่อวันข้างหน้ามันอยากจะซื้ออะไรมันก็จะได้มีของซื้อได้แต่ยังไม่ได้บุญอ่ะต้องรอให้เอาไปถวายวัดก่อนเอาไปใส่บาตรหรือไปทําบอยจากที่ไหนซะก่อนมันให้มันจากเราไปแล้วไม่ได้เป็นของเราแล้วตอนนั้นอ่ะถึงจะเป็นบุญคำถามจากคุณวิยาดาปฏิบัติแล้วมีความรู้สึกว่า ไม่อยากได้ไม่อยากมีจะทำอย่างไรให้คนทุกข์คะถ้ามันไม่อยากได้ไม่อยากมีมันก็นมันก็ไม่มีทุกข์แล้วนี่ที่มันทุกข์เพราะมันอยากได้อยากมีอยงนั้นทุกครั้งที่มันทุกข์ก็ถามตัวเองว่าตอนนี้กำลังอยากอะไรแล้วก็หยุดความอยากนั้นทุกกับสามีก็หยุดกับความอยากนั้นอยากให้สามีไม่กินเหล้าอย่างเงี้ยก็ทุกข์เนี่ยก็ปล่อยเข้กินไปแล้วก็ไม่ทุกข์ ต้องถามจากคุณเลนนี่สมมุตินะคะว่าคนในโลกนี้ออกบวชหมดทุกคนปฏิบัติเพื่อลดเพื่อหลุดพ้นทั้งหมดถามว่าพระสงฆ์จะ ป, ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได้อย่างไร <c oughs> เช่นออกบินธบาตไม่มีคนใส่บาตรหุ <c oughs> หาอาหารก็ทําไม่ได้กิจที่สงฆ์พึงกระทํามิได้จะทําอย่างไรเจ้าคะอะอย่าไปอ ย, าอย่าไปคิดถึงวันไอสิ่งที่มันไม่เกิดเลย เพียแต่ขอให้เรารักษาศีหน้าขอเราให้ทุกคนในโลกนี้รักษาสีหน้าให้ได้ก่อนก็พอแล้วไม่ต้องไปบวชกันทุกคนหรอกถ้ารักษาสีหน้าได้ทุกคนนี้ตำรวจก็ไม่ต้องมีกุญแจก็ไม่ต้องมีใช่ไหมไม่ต้องล็อกบ้านไม่ไม่มีขโมยของไม่มีใครขโมยข้าวของเงินทองตำรวจก็ไม่ต้องไปตามจับคุกตารางก็ไม่ต้องมี ศาลก็ไม่ต้องมีอายการก็ไม่ต้องมีตำรวจทหารก็ไม่ต้องมีบ้านเมืองก็ไม่มีสมงครามทุกคนก็อยู่กันอย่างสงบเอาแค่นี้ก่อนเถอะอย่าไปถึงกับขั้นบวดเลยเอาแค่ทุกคนได้มีศีลห้าให้ได้ก่อนคำถามจากคุณมาลิสามีทำบ้านลกไม่ยอมจัดเราอยากอยู่ในบ้านที่เรียบร้อย อ, อย่างนี้เรียกว่ามีความอยากมากเกินไปไหมครัะ เขาว่าหนูไม่ปล่อยวางคะ่ะถ้าทุกข์ก็แสดงว่าอยากถ้าไม่ทุกข์ก็แสดงว่าไม่อยากหรืออยากแบบสบายอยากแบบรับได้อยากจะให้มันสาดแต่ถ้ามันไม่สาดก็ช่างหัวมันก็อยู่กับมันได้ถ้าอยู่มันไม่ได้ถ้าอยู่แล้วทุกข์ก็แสดงว่าอยากมากเกินไป<ม>ก็ต้องหยุดความอยากลงหรือถ้าอยากให้มันสาดก็ทาเองแค่หมดเรื่องอ ม, มันจะใช่ไมเราอยากสาดเราก็ทาของเราไป คำถามจากแม่ผู้จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามพระอาจารย์เคยบอกว่าการไม่มาเกิดดีที่สุดใจโยมก็ไม่อยากจะกลับมาเกิดแต่แค่อยากอย่างเดียวไม่ปฏิบัติก็คงไม่เป็นผลทางเดียวที่จะไม่มาเกิดคือปฏิบัติให้ละสังโยติให้ได้ใช่ไหมคะเออใช่ละสังโยติแ ล, ะละ้วละตันหาทั้งสามเหมือนกันการตันหาภาวะตัญหาวิภาวะตันหา มันเป็นตัวเดียวกันแต่รายละเอียดมันมันมันมีความละเอียดมากกว่ากันสังโยชนะละเอียดกว่ากามัตั์หาภาวะตัาหาเพราะสังโยชนแบ่งเป็นตอนตอนเป็นขั้นขั้นไปเลยตอนนี้ต้องตัดอะไรตอนนี้ต้องตัดอะไรแต่การมาตั์หาภวะตฐานหานี้เป็นแบบเป็นความอยากรวมแต่ถ้าศึกษาไปเราก็จะรู้เองว่ามันขั้นขั้นขั้นแรกก็ตัดราบยุทธสรรเสริญก่อนอย่างพระพุทธเจ้าสละราชสมบัติเนี่ยสละ ฉลาดรากยศสราเสริญฉละความสุขทางตาหูจมูกมือกายก่อนแล้วก็ไปบวชไปถือศีลแปดเนี่แล้วก็ไปทําสมาธิทําใจให้สงบจะได้มีกําลังตัดความอยากต่างๆต่อไปได้เครื่องถามจากคุณวัฒ น, นาทําบุญอย่างไรคะที่จะอุทิศให้พ่อกับแม่ที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วให้ท่านได้รับครับก็ทําทานเนี่ยเอาใส่บาตรถวายเงินให้กับ วัหรือบริจาคให้กับสภากาชาิไทยหรือองค์กรการกุศลอะไรต่างๆหรือให้ใครก็ได้ให้ขอทานก็ได้มันก็เป็นบุญเหมือนกันคอถามจากคุณนรงชยัยการแก้กรรมอย่างไรให้เห็นผลเร็วที่สุดครับอ๋อกำรรแก้ไม่ได้กรรมที่เราทําแล้วมันต้องส่งผลช้าหรือเร็วมันเป็นเรื่องของอของ กรรมแต่ละชนิดบางชนิดก็เร็วบางชนิดก็ช้าเหมือนต้นไม้บางชนิดก็ออกดอกออกผลเร็วเช่นปลูกข้าวสามเดือนก็ออกแล้วแต่ถ้าทุเรียนนี่อาจจะต้องห้าปีสิบปีมันถึงจะออกลูกได้งนั้นถ้าเราไม่อยากจะมีผลของกรรมก็อย่าไปทำกรรมใหม่แต่กรรมเก่านี้เราไปหยุดมันไม่ได้คำถามกับคุณวัดเพื่อนชอบมายืมเงินบอกว่าตกงาน ตอนนี้เขาอายุ45แล้วก็ไม่เคยคืนสักครั้งเลยครับแล้วก็ยืมเพื่อนหลายคนครั้งนี้กระผมบอกว่าให้ 1,000 บาทครั้งนี้สุดท้ายแล้วอย่ามายืมอีกเพราะว่ามีภาระเหมือนกันแล้วบอกว่าอย่าโทรมาอีกแบบนี้บาปหรือเปล่าครับอ๋ไม่บาปหรอกเพียงแต่เราอาจจะไม่ได้ทําบุญเท่านั้นเองถ้าเราคิดว่าการให้เงินเขาไปเป็นการทําบุญแล้วก็แล้วก็เพียงแต่ไม่ได้ทําบุญแต่ไม่บาป เพราะเราไม่ได้ไปทุบตีเขาเราไม่ได้ไปเอาเงินของเขามาเราไม่ได้ไปลักทรัพย์ของเขาคำถามจักคุณชวนเมื่อคนเสียชีวิตไปแล้วจิตวิญญาณจะสามารถมองเห็นญาติพี่น้องลูกหลานหรือเห็นศพตัวเองไหมครับหรือต้องไปเกิดทันทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่ แล้วแต่ดวงวิญญาณของคนบางคนเขาติดต่อกับคนเป็นได้อย่างนั้นเขาก็ติดต่อกันได้คำถามจากคุณจินดาทําอาชีพเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูขายแต่ไม่ได้ฆ่าบาปไหมครับถ้าทำแล้วเอาไปให้เขาฆ่ า, าก็มันก็ไม่บาปแต่เป็นอาชีพที่ไม่ควรทําเรียกว่าไม่ใช่เป็นสามม า, าชีพเพราะเราไปมีส่วนสนับสนุนในการฆ่าของผู้ เือเราเลี้ยงแล้วไปขายแล้วเขเอาไปฆ่าอย่างเงี้ยมันก็เท่ากับมันไม่บาปแต่มันก็ไม่ควรทําออาชีพยอย่างอื่นเช่นขายชุราก็ถึงแม้เราไม่ดื่มเองแต่ขายให้คนอื่นก็ดื่มองมันก็ไม่ดีคําถามจากคุณละ ว, วันนั่งสมาธิหลับตาแล้วรู้สึกตึงที่หน้าผากเกิดจากอะไรและแจ็และจากแก้อย่างไรเจ้าคะ อ๋อมันเรื่องมันเกิดจากอะไรไม่ต้องไปสนใจล่ะ ว, วิธีแก้ก็ให้พุโทโธไปอย่าไปคิดอะไรแล้วก็ใช้ความอดทนะเดี๋ยวมันก็หายไปเองมันเรื่องของกิเลสเวลาให้นั่งสมาธิมันจะเป็นแต่ให้นั่งดูละครมันไม่เป็นนะยังไหมพอนั่งดูละครมันเพลิดเพลินตอนั่งหลับตาแล้วมันอึนอดอดัดเหมือนถูกจับเข้าไปนั่งขังในคุกอย่างเงี้ยแต่ถ้าไปนั่งในผับในบาร์นี่ไม่อึดอดัด พอไปนั่งในคุกนี้รู้สึกเวดอะตมันก็นั่งเหมือนกันใช่ไหมคถามจากคุณปราณีสวดธรรมจักเราเป็นคารวาเราต้องสวดบทขัดด้วยใช่ไหมเจ้าคะธรรมจักบทแต่เวลาสวดรู้สึกมีความสุขมากเจ้าคะขัดก็ได้ไม่ขัดก็ได้หลสวดไปการสวดก็เป็นการทาสมาธิเป็นการจเจริญสติเพื่อใจสงบ สก็มีความสขำ ถ, ถามจากคุณกันนิกาตอนต้นถ่ายทอดสดพระอาจารย์พูดเรื่องการทำหลอดเด็กหลอดแก้วทำทุกขั้นตอนตัดสายสะดือโยมเป็นแม่บุญธรรมเด็กอายุสี่ขวบตอนนี้ความรักความผูกพันก็เพิ่มขึ้นแต่รู้สึกว่าสักวันต้องจากกันโยมก็พยายามทำหน้าที่แม่ให้ดีที่สุดและพยายามไม่กังวลหลังจากการทาหน้าที่ การวางจิตแบบนี้จะช่วยโยมในอนาคตได้ไหมคะถ้าวันหนึ่งต้องพัดพลากจากเขาไปก็ทดลองดูสิลองไปฝากเขาอยู่กับคนอื่นสักพักหนึ่งเราแยกอยู่กับเขาดูสิว่าเรารู้สึกอย่างไรถ้าเรารู้สึกเฉยๆก็แสดงว่าเราไม่มีความผูกพันกับเขาแต่ถ้าเราไปฝากคนอื่นไว้แค่คืนเดียวก็นอนไม่หลับแล้วห่วงเขาคิดถึงเขานี่ก็แสดงว่ายังมีความผูกพันอยู่ คำถามจากคุณลองไปลองไปอยากถ้าเราภาวนาพุทโธตลอดเวลาทั้งยืนเดินนั่งนอนมันจะไม่ทําให้เกิดความเครียดเสียสติไปหรือพระเจ้าพระคุณเจ้าไม่หรอกมันจะเกิดแต่ความสงบเกิดแต่ความสุขเกิดจากการมีสติเพิ่มมากขึ้นพุทโธนี้จะช่วยทําให้เรามีสติความคิดนี่แหละทือทําให้เรากลายเป็นคนเสียสติไปคิดจนเป็นบ้าได้ถ้าคิดไปด้วยความอยาก ช่วงเราพูดโทยู่แล้วแบบเราพูทโทอยู่นิ่ง ๆ, ๆพอจักพักหนึ่งมันจะนเหมือนแบบเราเธอย้ำเข้าไปแล้วก็ยังแร็ปแล้วก็ย้ำไปอ่าดูไปเรื่อยๆจนกลับไม่มีอะไรแล้จนกั่าจิตจมันจะเฉื่อยอ่าใช่ชักกัเยอะกันเนี้ยคำถามจากคุณขวัญจิตเรานั่งสมาธินานแค่ไหนห้าปีหรือแปดปีหรือนานแค่ไหนหรือมีจุดไหนที่ทําให้เรารู้ว่า เราต้องพิจารณาด้านปัญญาแล้วคะความจริงปัญญานี้เราพิจารณาได้ตลอดเวลายกเว้นเวลาที่เรายกเว้นเวลาที่เราทําสมาธิเท่านั้นที่เราไม่ทําไม่ได้เวลาทําสมาธิเราต้องการหยุดความคิดแต่เวลาเราเจาริญปัญญาเราต้องใช้ความคิดอย่างนั้นก็ต้องแยกกันเป็นสองเวลาเวลานั่งสมาธิก็ไม่ไปคิดอะไรไม่พิจารณาอะไร ให้จิตสงบให้นิ่งเฉยๆอย่างเดียวแต่พอว่าออกจากสมาธิมาอยากจะพิจารณาก็พิจารณาได้พิจารณาว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราแต่การพิจารณานี้เป็นเพียงการสอนใจยังไม่เป็นปัญญาจะเป็นปัญญาจริงตอนที่เจอของจริงทุกปัญญาบ่อเกิดทุกบ่มีปัญญาบ่อเกิดมันต้องไปเจอความทุกข์ก่อนนะมันถึงจะรู้ว่าไอ้ที่เราเรียนมาพิจารณามานี้เป็นปัญญาจริงหรือว่า เช่นพิจารณาว่าต้องพัดภาคจากกันอยู่เรื่อยๆแต่ยังอยู่ด้วยกันมันก็รู้สึกเฉยๆใช่ไหมถ้าเราดูต้องจากกันดูก่อนเข า, าพุพับตายไปเนี่ยดูซิว่าเราร้องหม่มร้องไห้ตกใจหรือเปล่าถ้าเราเฉยๆถ้าเราเฉยๆก็สแสดงว่าเรามีปัญญานะครัารู้ว่าเราต้องพัดภาคจากกันแต่ถ้าพอพัดภาคจากกันก็ร้องหม่มร้องไห้ขึ้นมาัมสแสดงว่ายังยังไม่เป็นปัญญา แต่ถ้าไม่คิดเลยยิ่งแย่ใหญ่เลยถ้าไม่เตรียมตัวคิดไว้ก่อนเหมือนนักมวยถ้าไม่ยอมช็คชคไม่ยอมซ้อมเลยพอขึ้นไปโดนหมัดแรกก็น็อกแล้วแต่ถ้าเราซ้อมไว้ก่อนอย่างน้อยอาจจะโดนหมัดแรกอาจจะเทบ้างแต่ก็ยังยังรุยต่อได้ไไดใช่ไหมบางทีพอเสียอะไรไปก็อาจจะตกใจหรือเสียใจปุ๊บหนึ่งแล้วพอได้สติปับ๊บได้ปัญญาปับ๊บอ่ะไม่เป็นไรทุกอย่างมาันม า, มาแล้วก็ต้องไปงนี่สแสดงว่าเรามีปัญญา เป็นแต่ว่ายังอาจจะไม่ไม่เต็มร้อยออออก็ยังใช้ได้อยู่ยังทําให้เราไม่เสียหลับยังประคับประคองจิตใจของเราให้เป็นปกติเป็นสุขได้ไม่ไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆได้ก็ถือว่าเป็นปัญญาแต่ตอนที่เราพิจารณาตอนนี้ยังไม่มีเหตุการณ์ที่เราไม่รู้เป็นเพียงเหมือนกับเราซ้อมทําการบ้านไปก่อนเราจะรู้ว่ามันเป็นปัญญาหรือไม่ก็ตอนที่เกิดเหตุการณ์จริงขึ้นแต่เราถ้าเราไม่ทําการบ้านเราก็จะไม่มีวันที่จะ ทำข้อสอบได้พอเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมาก็โอ้เสียหลักเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่ไม่ดีอยากจะฆ่าตัวตายตามเข้าไปคำ ถ, ถามจากคุณชุมพรอาการจิตรวมเป็นอย่างไรครับเนี่ยจิตรวมก็คือมันหยุดคิดเนื้อสักเนื้อแต่สักแต่ว่ารู้แล้วก็มีความสุขมาก เบา อ, อกเบาใจสบาย อ, อกสบายใจบางทีร่างกายก็หายไปเลยอยู่กับตัวรู้ตัวเดียวตามน้ำทางเหมือนลอยอยู่ในอาวากาศอนี้นะห้อถามจากคุณน้องนั่งสมาธิแล้วหลับเสมอแก้ไขอย่างไรคะ ก, ครก็อย่ า, ออยานั่งเลยลุกขึ้นมาเดินแล้วถ้านั่งก็ไปนั่งในป่าช้านั่งหน้าปากเหวถ้านั่งปากเหวนี่ถ้าหลับ มันก็หัวทิ่มลงเหวไปเลยอย่างงี้มันก็ไม่หลับต้องไปนั่งที่น่ากลัวมันจะไม่หลับเนี่ยพระุูดมบางทีท่านต้องไปอยู่ที่หน้ากลัวเพราะว่าอยู่ในวัดมันปลอดภัยนั่งแล้วมันชอบหลับท่านก็เลยต้องไปหาที่นั่งที่จะแก้ควางมง่วงบางท่านก็ใช้การโอดอาหารอดอาหารก็ช่วยได้เพราะอดอาหารแล้วมันหิวนี่มันไม่หลับนอนไม่หลับเราเราไม่ได้กินข้าวเย็นบางคนนี่นอนไม่หลับใช่ไหมเพราะมันหิวเีย ถ้าอยากถ้าอยากไม่หลับ ก, ก็อย่าไปกินข้าวคำถามจากคุณปาลิดาปฏิบัติได้สม่ำเสมอคือเดินจงกรมนั่งสมาธิและสวดมนต์พยายามมีสติรู้ตัวในชีวิตประจำวันแต่ก็มีสติบ้างเถอบ้างก็ดึงกลับมาอยู่ๆเกิดความรู้สึกเฉยเถยเบื่อหน่ายไม่อยากปฏิบัติขึ้นมาเฉยๆจะแก้ไขยอย่างไรดีเจ้าคะ ยิ่งบังคับมันยิ่งต่อตาเจ้าค่ะอ๋ออย่าไปบังคับมันใช้เหตุใช้ผลคุยกับมันเพราะว่าถ้าไม่ปฏิบัติต่อไปก็จะทุกมากกว่านี้นะการปฏิบัตินี่เหมือนกินยารักษาโรคเราก็ต้องกินต่อไปถึงแม้จะไม่อยากกินก็กินดีกว่าไม่กินต้องใช้เหตุผลคุยกับมันบังคับไม่ได้หรอกยิ่งก็บังคับมันยิ่งต่อสู้ใหญ่ยิ่งยุยิ่งยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ ต้องต้องใช้เหตุผลบอกว่าการปฏิบัตินี้เป็นการสร้างเหมือนเหมือนการกินยารักษาโรคใจรักษาความทุกข์ใจถ้าเราไม่มีเราไม่ปฏิบัติไม่มีธรรมาโอสดเราจะทุกข์มากกว่านี้นะทำไปเรื่อยๆทาตามหน้าที่เหมือนกินยาถึงเวลาก็กินยาไปถึงเวลาก็กินข้าวไปจะอยากกินไม่อยากกินก็กินดีกว่าไม่กินไม่กินแล้วเดี๋ยวหิว ใช่ให้ใช้เหตุผลคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามที่พระอาจารย์บอกว่านั่งเฉยๆดูความอยากจนให้มันระเบิดตุ้มออกมาสบายโลง่งนี่คือทั้งภาวะตัญหาและวิภาวะตัญหาหายไปถาวารเลยใช่ไหมคะก็ เ, เฉพาะความอยากที่จะไปนู่นมานี่ทํานู่นทนํานี่แต่ความอยากอย่างอื่นยังมีอยู่เป็นแต่ความอยาก อยากนั่งเฉยๆไม่ได้ความอยู่เฉยๆไม่ได้มันจะหมดไปต่อไปเราไม่มีทําอะไรเราไปนั่งรอหมอนั่งรออะไรแล้วก็นั่งเฉยๆสบายไม่รู้สึกหงุดหงิดําคาญแต่ความอยากอย่างอื่นยังไม่ได้หยุดยังอยากกินอยากดูอยากฟังอะไรนี่มันยังไม่หมดมันก็ต้องอยากอย่างไงก็ต้องหยุดอย่างนั้นอยากกินกาแฟก็ต้องหยุดกินกาแฟอยากดื่มสุราก็ต้องหยุดอยากก็ต้องหยุดเพราะอยากอะไรต้ก็ฝืนมันแต่ละอย่างไป เอาไปมันก็หมดเองคำถามจากคุณมีสซั์ถ้าเรารู้อยู่นิ่งๆรู้อยู่เฉยๆรู้แล้วครับว่าทุกอย่างเป็นสมมติทั้งนั้นแต่เราหยุดความคิดไม่ได้ขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ครับก็ใช้บริกรรมพุโทโธหยุดมันถ้าเราบริกรรมพุโทโธมันก็จะไปคิดเรื่องต่างๆไม่ได้คำถามจากคุณ <c oughs> สมชาย <c oughs> เวลาทำบุญเสร็จแล้วอธิษฐาน ว่าด้วยอนุภาพแห่งบุญบา ร, รมีที่ทําไว้ดีแล้วขอเป็นปัจจัยให้มีสุขภาพแข็งแรงจักได้รักษาขันห้าเพื่อบําเพ็ญสะสมบา ร, รมีให้มีหิ่งขึ้นไปจะเป็นความอยากหรือปัญหาหรือเปล่าครับเป็นเพราะว่าอยากให้ขันห้ามันอยู่ยืนยาวนานก็เป็นภาวะตัญหาแล้วต้องยินดีตามมีตามเกิดมันอยู่ได้เท่าไหร่ก็อยู่เท่านั้น เราทำบุญนี้ไม่ได้มาเพื่อที่จะมามีขันห้ามาสร้างบรารมีเราทำบุญเพื่อจะได้ตัดขันห้าจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเล้นเราทำบุญนี้ทำเพื่อที่จะให้เราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ทำให้มีความอยากได้สิ่งนี้สิ่งนี้แม้แต่อยากจะได้บุญบรารมีก็ไม่อยากได้อยากจะตัดทุกอย่างคำถามจากคุณดา กับถามเรื่องคุณแม่ท่านกังวลเรื่องสุขภาพกลัวเจ็บกลัวไม่สบายมีอาการเมื่อยปวดร่างกายตามอายุ88ปีจะให้พาไปหาหมอตลอดเวลากลับถามพระอาจารย์ในฐานะที่เป็นลูกผู้ดูแลจะใช้วิธีไหนในการบอกแก่คุณแม่คะ อ, อ, อย่าไปบอกแม่เลยทำตามที่แม่อยากก็แล้วกันแม่อยากจะหาาหมร้องก็ไปหาหมอแม่อยากจะกินยาก็ให้แม่กินไป พอแก่ขนาดนี้แล้วสอนไม่ได้หรอกไม่แก่ดัดยากนอกจากแม่เขาถามว่ า, าทําไมเราทุกข์เรือเ้อรังก็อาจจะบอกได้ว่าที่แม่ทุกข์เพราะแม่อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายวิธีที่จะแก้ความทุกข์นี้ก็แม่พุโทโธไปสวดมนต์ไหว้พระไปแล้วก็ปรงไปคิดว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดามคิดอย่างนี้แต่ถ้าแม่เขาไม่ถามก็อย่าไปสอนแม่รับใช้แม่ไปดีกว่า แม่บอกอยากให้ไปหาหมอก็พาไปหาหมอแม่อยากจะให้ไปโรงพยาบาลไปซื้อยาก็ไปซื้อตามที่แม่สั่งไปให้แม่สบายใจกับเรื่องการกังวลกับร่างกายของแกไปถเถอะพอถึงจุดนี้แล้วเหลือไม่กี่ปีก็ตายแล้วแกก็คงจะเปลี่ยนไม่ได้นอกจากแกสนใจธรรมะแล้วถามว่าหนูมีธรรมะอะไรบอกแม่บ้างไหม อ, อย่างนี้ก็บอกได้ คำถามจากคุณวไลายคอ <S <S การสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนได้บุญมากไหมคะก็แล้วแต่ว่าสวดแล้วได้ผลหรือไม่สวดแล้วถ้าติดไม่สงบไปก็ไม่ได้ผลคำถามจากคุณพิมพงศ์ระยะทางเดินจงกรมอย่างน้อยไปยี่สิบเก้ากับยี่สิบใช่หรือไม่ครับก็ไปกับยี่สิบนอะไมยถึงทางเดินอย่างต่ําประมาณขนาดขนาดมาตรฐานก็ยี่สบยี่สิบห้า แต่บางคนชอบยาวๆก็สี่สิบก็มีแต่บางทีถ้าไปอยู่ในที่มันสั้นก็อาจจะสิบห้าก็ได้แล้วแต่คงถามจากคุณรัฐการทุกของคนที่ถูกแปนทิ้งจะแก้ไขอย่างไรดีคะก็ต้องอย่าไปอยากให้เขากลับมาอย่าไปอย่าไปอยากให้เขาเอ่อ กลับมาเนี่ยถูกแล้วก็มีเท่านั้นเข้าไปแล้วก็ปล่อยให้เขาไปอข้ามาถามจากคุณสุวรรณทําบุญเขาตั้งเป็นภาป่าเราร่วมทําบุญด้วยเราอธิษฐานเงินของเราเป็นสังฆทานได้ไหมครับก็ผ้าป่ามันก็เป็นสังฆทานอยู่แล้วของที่ถวายให้กับวัดนี่เป็นสังฆทานถ้าถวายให้กับพระรูปเดียวก็เป็นบุคคลิกทาน ถามจากคุณดวงใจเขานอนอยู่แต่เราเปิดธรรมะฟังแล้วเสียงไปรบกวนคนที่นอนอยู่แบบนี้เราจะบาปไหมคะเพราะว่าเขาแสดงออกมาถึงความลำคาญเสียงธรรมที่เราเปิดจะบาปไหมคะก็ถ้าเราเป็นเขาเราจะรู้สึกยังไงมันก็ไม่ถึงกับบาปแต่มันถึงมันก็เรียกว่าเบียดเบียนกันอไปทําลายความสุขของเขาเราก็ควรใส่หูฟังไป ถ้าเราอยากจะฟังเพ็นเขานอนอยู่แล้วก็ปิดใส่หูฟังไปหรือไปฟังที่ห้องอื่นอย่าไปรบ ก, กวนกันข้องถามจากคุณกุยช่ายมรรคผลนิพานมีการกำหนดหมายว่าพบนี้ชาตินี้ระยะเวลานี้จึงจะสาเร็จเหตุและปัจจัยขึ้นอยู่ที่บุญกรรมหรือไม่คะเหตุปัจจัยที่จะทำให้เราสาเร็จเร็วสาเร็จช้าก็อยู่ที่การปฏิบัติของเรา ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาของเราถ้าเราปฏิบัติมากก็เหมือนนักเรียนที่เรียนมหาลัยเนี่ยบางคนก็เรียนสามปีจบบางคนก็สี่บางคนก็ห้าบางคนก็หกแไปเรียนรามนี่ก็บางทีก็แปดเนี่ยยังไงมันก็อยู่ที่ว่าเราเรียนมากเรียนน้อยถ้าเราตั้งใจเรียนมากมันก็จบเร็วนักฝนิีพานก็เหมือนกันถ้าเราปฏิบัติมากมันก็มันก็บรรลุเร็วถ้าปฏิบัติน้อยมันก็บรรลุช้า หมดแล้วอย่างพระอนุนี้เข้าใจว่าท่านเป็นพระโสดาบันแล้วท่านก็ไปรับใช้พระพุทธเจ้าอยู่ยี่สิบกว่าปีช่วงนั้นเลยไม่ได้ปฏิบัติแต่คอยรับใช้พระพุทธเจ้าก็เลยไม่บรรลุเป็นโสดาบันต้องยี่สิบกว่าปีแล้วพอพระเจ้าตายไปสามเดือนก็บรรลุเป็นพาาระอรหันต์นี่มันอยู่ที่การปฏิบัติถ้าบรรลุ ข, ขั้นนี้แล้วหยุดปฏิบัติไปทํางานอย่างอื่นมันก็ไปก้าต่อไปไม่ได้ แต่อย่างน้อยเป็นโสดา ม, ามันก็ปลอดภัยแล้วมันกลับมาเกิดอีกไม่เจ็ดไม่เกินเจ็ดชาติมันก็บรรลุได้มันก็สำเร็จได้แต่การได้รับใช้พทธเจ้าก็มีประโยชน์ได้ฟังธรรมเยอะมีได้ปัญญาเยอะพอไปปฏิบัติจริงๆสามเดือนก็ได้ลนะหมดแล้วใช่ไหมมีอะไรไหม มีไหมถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปเพนิสปเจนาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปท่าน